50 languages. ในห้างสรรพสินค้า Department store, เราไปห้างสรพสินค้ากันหม department store ดิฉันต้องไปซื้อของ แม้คุณจะซื้อของหลายอย่างแม่บ๊อบซื้อของหลายอย่างแม่บ๊อบซื้อของหายอย่างแม่บ๊อบซื้อของหลายอย่างแม่บ๊อบซื้อของหลายอย่างแม่บ๊อบซืรอของหลายอย่างแม่บ๊อบซื้อของหลายอย่าง ดิฉันต้องการปากกาลูกเลื่อนและปากกาเมจิกเมนูคัลัมอัติมาร์คเกอร์ใจดาเหแผนกเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่ไหนเฟอร์นิเจอร์วิภาควิธเหรอดิฉันต้องการตู้และตู้ลินชักเมนูอกอัลมารีอัติอีกหนึ่งานาใจดาเหดิฉันต้องการโต๊ะเขียนหนังสือและชั้นวางหนังสือ เมนูอีกเดสก์อัตย์เอ็กเซลฟ์ใจด์าเหรอแผนกของเล่นอยู่ที่ไหนคะเฮลโลเน็กิทเทอร์ฮอร์นดิฉันต้องการตุ๊กตาและตุ๊กตาหมีเมนูอีกกูดดี้อัตย์เอ็กตัดดี้ใจด์าเหรอดิฉันต้องการลูกฟุตบอลและกระดานหมากรุกเมนูฟุตบอลอัตย์ แผนกเครื่องมืออยู่ที่ไหนคะอูซาร์กิเทฮันดิฉันต้องการคอลและคีมเมนูเอกฮัทโอดะอัติิมต้าดอดิฉันต้องการสว่านและไขควงเมนูเอกดริลอัตเปจกัสใชดะเแผนกเครื่องประดับอยู่ที่ไหน ดิฉันอยากได้สร้อยคอและสร้อยข้อมือเมนูเอกมัลลาอัตย์เอกคังกันใจดะหรดิฉันอยากได้แหวนและต่างหูเมนูเอกอังกุธีอัตย์ชุมเกะใจเดหน